ช่วนเป็นช่วงที่ทางวัดของเราทั้งภายในวัดด้วยทั้งภายนอกวัดด้วยทั้งสิ่งที่มาเกี่ยวข้องภายในวัดด้วยไม่นับเรื่องส่วนตัวคือจิตตภาวนาอีกต่างหากว่างั้นเรื่องจิตตภาวนานี่เป็นเรื่องที่ส่วนตัวถึงไงงานยังไงยังไงมากมายมาหาศาล ร้อยแปดพัประการยังไงก็ตามเรื่องจิตภาวนาเนี่ยต้องเป็นหลักแคอันนี้คือหลักของเราหลักเป็นหลักตายหลักยึดใครจะแปลปวนเปลี่ยนแปลงร้ายดียังไงก็ตามอันนั้นเรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเนี่ยคือจิตภาวนานจะทํำยังไงจึงจะหมุนจิตใจของเราให้สูงขึ้น จะทำยังไงจิตใจของเราจึงจะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจของเราให้เร็วที่สุดเราจะทำยังไงเราจะถอนอผ่าหัวฝีหนองออกจากร่างกายของเราให้เร็วที่สุด เ, เราจะทำยังไงจึงจะถอนอลูกสุนที่มันฝังอยู่ หรือว่าลูกศรที่มันปักอยู่ที่หัวใจของเราให้ถอนออกให้เร็วที่สุดนีอันนี้คือเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆ ท, ท่านอันนี้เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์อีกอันนี้คือจุดหนึ่งเพราะนั้นเราจะทํางานสิ่งไหนมากมายสิ่งภายนอกอถึงจะหลวงพ่อจะพูดยังไงก็ตามพวกเราจะไปเป๋ตามนั้น คือหลักตัวนี้ให้ยดเอาไว้ให้แน่นหลักทางจิตใจนี่อันนี้หลวงพ่อถึงจะพูดยังไงก็ตามถึงจะพูดออกนอกยังไงก็ตามแต่จุดหลักจิตใจของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่เคยมองข้ามจุดนี้อีกเหมือนกันเพราะนั้นเอาคำที่หลวงพ่อนำมาประพฤติปฏิบัติเนี่ยะให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้เป็นแนวความคิด คือคืออย่าไปยึดเอาสิ่งภายนอกมาเป็นเนื้อเป็นหนังว่าเป็นสักเป็นสีเป็นที่เชิดหน้าชูตาอันนั้นเป็นถ้าหากว่าเป็นนั่นก็เป็นดินเหนียวติดหัวท่า น, นเองไม่ใช่เนื้อใช่หนังไม่ใช่งอนอย่างนั้นนะดินเหนียวติดหัวให้ให้เราคิดอย่างนั้นมาอยู่เสมอในใจเราจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวถ้าหากว่าเรา คิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสักเป็นสีเป็นเกียรติยศเป็นชื่อเป็นเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั้งหลายถ้าเราคิดอย่างนั้นไม่อยู่เสมอคิดอย่างนั้นไว้ในใจนะเป็นหลักใจของเราเราพวกเราจะลืมตัวได้ง่ายแต่ถ้าว่าเราคิดในใจอย่างที่ว่านั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นดินเหนียวติดหัวนะแต่ใช่มันก็เป็นบุญเป็นกุศลส่วนหนึ่ง ที่เราทำถูกต้องเป็นบารมีของเราส่วนหนึ่งที่พวกเราทรถูกต้องเป็นทานเป็นศีลเป็นภาวนาเป็นทานเป็นศีล เ, เ, เ, เป็นบารมีของพวกเราแต่ถึงยังไงจิตตภาวนาที่จะถอดถอนกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจตัวนี้พวกเราอย่ามองข้ามจุดนี้เป็นจุดใหญ่ ที่พวกเราจะต้องได้คำหนึ่งคิดถึงอยู่เสมอถ้าว่าผู้ใดพ้นจากวตฏะไปแล้วหมดจดจากกิเลสไปแล้วกิเลสราคะโทสะโมหะกระเด็นออกจากจิตใจแล้วอันนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าว่ายังอยู่ถ้าว่ายังอยู่ในจิตใจของเราเราต้องถือว่าอันนั้นเป็นคู่ต่อสู้ของเราเราเผลอมาเมื่อไหร่คู่ต่อสู้ของเราพร้อมที่จะเหยียบคอเราเมื่อนั้นเพราะนั้นเรา จะต้องเตรียมพร้อมต่อสู้กับกิเลสราคะโทสะโมหะยางถือว่าเป็นศัตรูหรือ ว, ว่าเป็นคู่อริหรือ ว, ว่าเป็นคนลับฝั่งกันแบงั้นกับธรรมถ้าเราคิดอยู่อย่างนั้นมาอยู่เสมอพวกเราจะไม่ลืมตัวถึงจะทำการงานมากน้อยแค่ไหนประสานงานกับผู้คนมากน้อยแค่ไหนถึงจะไปนัสถานที่ใดทินใดอันนั้น เราต้องยืดหยุ่นในการทำงานในเมื่อทำงานจบลงแล้วมันก็ขยักข้อมาหาที่เก่าอีกในขณะที่งับที่ทำงานเหมือนกับเรายืดอย่างติ๊กเหมือนกับออกไปใช้งานเมื่อใช้งานเจอและ้วหยุดประจําที่ต่อสู้อีกอย่างเก่าอย่างนั้นอยากจะให้พวกเราเป็นอย่างนั้นอันนี้ที่พูดทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือที่หลวงพ่อได้พูด คือเรื่องมรุมมาตุ้มเรื่องการเรื่องงานอย่างที่ภายในวัดของเราก็ทําถนนการทําถนนก็เพื่ออะไรก็เพื่อพระเนนภายในวัดเป็นสายเมนภายในวัดเวลาตกหน้าฝนมาต่อไปเวลาฝนตกมามันกิดิ้งกัดยิงเป็นโศกเป็นเหวไปเรื่อยๆเพราะวัดเก่าเหมือนกับบ้านเก่าถ้าพวกเราเคยอยู่บ้านเก่าแก่โบรโบราณ ยังไม่เคยมีถนนหนทางยังไม่มีแมคโคแท็เตอร์สมัยก่อนถ้าว่าเราไปที่ไหนโดยมากช่องห้วยช่องเขาทั้งหลายแล่เขากจะขุดลงไปแล้วน้ำกัดลงไปของเราก็ลักษณะอย่างนั้นในวัดของเราพอเราอยู่มานานก็ตรงนั้นก็เป็นโศกตรงนี้นก็เป็นเหวเพราะว่าคนเที่ยวไปเที่ยวมาปัดกวดาออกดใบไม้ออกดินออกน้ำกัดลงไปอีก เพราะนั้นเราจึงได้คิดถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็อยู่ในวัดด้วยกันทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งญาติทั้งโยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าฝนเวลาพระเดินออกมาจากกุฏิเวลาฝนตกดูจึงว่าจะลําบากพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อคิดถึงจุดนี้หละคึงได้คิดให้หมู่พวกเพื่อนได้ทำถนนสายเมนภายในวัดกระทาแคบๆหรอกเป็นคอนกรีตซะ พอได้ใช้สำหรับหลวงพ่อเองก็ก็สะดวกสบายแต่สำหรับหมู่พวกเพื่อนให้ลำบากไปยังไงอยู่แต่ทิ้งยังไงก็ปีนี้เป็นปีทำปีมันหนักก็ให้ช่วยกันทําด้วยช่วยกันตั้งใจทำํำเมื่อทําไปแล้วอนนก็ดีพวกเราได้ใช้เป็นบุญเป็นกุศลไหมเป็นบุญเป็นกุศลถ้าใครได้เหยียบย่าในถนนหุนทางที่เราได้ทําก็เป็นบุญเป็นกุศลสาหรับผู้ลงมือทํา ผู้ก่อสร้างอั น, นี้ก็คืออันหนึ่งคือภายในวัดอันที่สองก็คืองานของคุณแม่ชีแก้วที่พวกเราทำประจำปีปีก่อนๆพวกเราก็ทำอยู่ที่วัดเมื่อ3ปีเมื่อเราสร้างเจดีขึ้นมาเนี่เราก็ไปทำอยู่ที่ห้วยทรายแต่ปีนี้ก็จะทำที่บ้านห้วยทรายวันที่30มีนา51ตรงกับวันอาทิตย์ แรมแปดค่าเดือนสี่แต่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสี่แล้วนี่ยยี่สิบสี่มีนาแล้วห้าหนึ่งแล้วก็ไม่อีกไม่กี่วันพวกเราก็คงจะเตรียมพร้อมที่จะไปจัดงานครบรอบของคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อนะคุณแม่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับหลวงพ่อมาตั้งแต่ต้นตระกูลตั้งแต่ ปู่ย่าตายายวงสานายาตของหลวงพ่อแล้วก็ท่านเป็นผู้มีพระคุณต่อหลายๆคนแล้วก็เป็นเมื่อเราทำไปแล้วก็มีแต่พระคุณอีกเพราะท่านไม่ใช่เป็นพระคุณสำหรับโลกส่วนเดียวสำหรับวงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอ่าิกระดูกของท่านกับเป็นพระธาตุ สรุปแล้วก็คือพวกเราทำนี่ก็ทำกับผู้จิตที่ผู้จิตหลุดพ้นไปแล้วทํากับพระอรหันต์พูดง่ายง่าไม่ใช่พระคุณธรรมดาเหมือนกันเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกเราจะต้องได้ยืดจุน่นหรือว่าได้แสดงทางด้านกิตใจออกไปช่วยงานแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหลวงพ่อได้ประกาศออกไปแล้ววันวานวันก่อน แจ้งข่าวไปทางศรัทธาญาติโยมที่เป็นที่รู้จักมักคุก้นว่างั้นเถะหลวงพ่อบอกว่าเจดีมหามงคลบัวเนี่ยที่จังหวัดร้อยเอ็ดใช่เป็นเท่าแก่สมหมายเป็นหลักแต่พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธาญาติโยมทั้งหลายพวกกลุ่มของเราพวกเราจะรวบรวมจะตุปใจให้เป็นคณะดีไหม คือเป็นคณะวัดป่านาคําน้อยคณะสิทธิ์ครูบาอาจารย์วัดป่านาคําน้อยร่วมสมทบเจดีมหามงคลบัวเป็นเป็นก้อนขึ้นมาดีไหมแต่สําหรับพวกเราท่านทั้งหลายจะทําหรือไม่ทําแต่วัดหลวงพ่อเนี่ยต้องทําแน่ไม่เป็นอย่างอื่นต้องทําแต่นี่ที่ประกาศไปนั่นก็คือประกาศให้ พวกเรามีส่วนร่วมพระเจดีย์องค์หลวงตาเนี่ยเป็นเจดีย์แรกที่หลวงตาอนุมัติอนุญาตให้ทศกัณฐ์สมหมายจนเซ็นชื่อเอาไว้ว่าเจดีย์มหามงคลบัวท่านตั้งชื่อให้อีกต่างหากเพราะนั้นถือว่าเป็นเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งสําหรับคณะสิทธิานุสิ์ถึงจะไปตั้งเนี้ยสถ า, านที่ใดก็คือเจดีย์ขององค์หลวงตาไม่เป็นอย่างอื่นเพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทธ ควรจะร่วมกันคนละมากคนละน้อยเนอะหลวงพ่อจะเป็นหลักถ้าว่าใครจะถวายไปเลยเข้าบัญชีของบัญเจดีไปเลยก็ได้เพราะมีเลขบัญชีอยู่ในแผ่นพับเขาอยู่แล้วแต่ถ้าว่าจะเอามาสมทบกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหลวงพ่อเป็นหลักหลวงพ่อก็ ย, ยินดีทที่จะเป็นหลักแล้วก็รวบรวมกันเป็นก้อนขึ้นมาแล้วก็ไปมอบ เข้าบัญชีเขาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในเจดีเพราะเจดีนี้เฉพาะองค์เจดีเซ็นสัญญากับบริษัทก็8ปดล้านแหะแปดสล้านเก้าสล้านยังไม่นับภูมิทัศน์ถนนสระน้ำํำแล้วก็ต้นไม้ที่จะปลูกเป็นสวนอันนั้นยังไม่นับอันนี้เฉพาะเจดีเพราะนั้น ค่าใช้จ่ายในเจดีนี่ก็คงจะมากอยู่นะหลวงพ่อวานนะอันนี้ก็คืออันนึงที่จะต้องได้ช่วยๆกันตอก่างนั้นก็เป็นเรื่องประเคประขาอะไรท่นีน่เรื่องชุมชนสังคมไปนี่แหละสรุปแล้วก็คือถ้าเรามองแล้วกับล้วนแล้วแต่มีสาระมีประโยชน์ที่พวกเราจะต้องได้คิด นัันแต่ไม่ให้หนักใจให้คิดแต่ไม่ให้หนักใจพวกเราจะหนักใจทำไมแต่ขนาดหลวงพ่อเป็นเจ้าของคิดแท้ๆหลวงพ่อยังไม่หนักใจแต่ว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราจะช่วยกระทำตอนนั้นเองทำเท่าที่จะทำได้เต็มความสามารถที่พวกเราจะทำได้ไม่ให้ทอดทิ้งไม่ให้ปล่อยปละละเลยเพราะโลกนี่มันต้องอาศัยความพร้อม ความพร้อมเพียงสามัคคีอาศัยน้ำใจอาศัยที่พวกเราจิตที่เป็นกุศลถ้าพวกเราที่มีหน้าที่อะไรที่จะไปทำลงทานไปช่วยเลี้ยงแขกไปทำอาหารล้วนแล้วจะเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลหนุนทั้งนั้นเมื่อทำไปแล้วบุญกุศลที่พวกเราทำดีแล้วนั้นไม่ไปที่ไหนหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราทุกๆท่านที่ทาไป อย่างที่พวกเราบางคนก็ถามว่าเอา้าที่เขาทำไปแล้วเขาเป็นคนคิดขึ้นเงินของเขาใช่ไหมที่เขาจะต้องทำใช่อันนั้นเขาทำเป็นเงินของเขาจริงแต่ว่าเขาก็ทำเพื่อสาธารณประโยชน์เขาก็ไม่ใช่ปิดประตูเขาจะทำคนเดียวเขาประกาศว่าใครจะมาร่วมสมทบก็ได้เราไม่มีส่วนที่จะร่วมสมทบบ้างเหรออันนี้ก็คือเป็นคาถาม เราไม่มีส่วนที่สมทบกับบุญกุศลจุดนี้บ้างเหรอเราจะมองให้เขาเราจะให้เขาทําคนเดียวเอาบุญคนเดียวเหรอเราไม่มีส่วนร่วมเราไม่แบ่งบุญกุศลอไม่ได้แบ่งหรอกเราไม่ได้สร้างสร้างบา ร, รมีจุดนี้บ้างเหรอออคือว่าแบ่งบุญไม่ต้องพูดถึงบุญของใครของเราใครทําที่ไหนก็เข้าสู่จิตใจของเราเราไปทําที่ไหนเหมือนกับเราไปทํา งานศูนย์การค้าเนี่นะเวลาได้มาเขาก็ให้รางวัลแต่ละคนละคนมันไม่ได้แบ่งกันอแค่ว่าเป็นส่วนได้เป็นส่วนของแต่ละคนเองอันนี้ก็เหมือนกันการสร้างบุญสร้างกุศลก็ลักษณะอย่างนั้นนะเพราะนั้นใครทําดีแล้วใครทําชั่วไม่มีใครรู้ยิ่งกว่าตัวของเรานอกจากนั้นถึงเราจะรู้หรือไม่รู้ในขณะที่เราทําไปอยมพอบาลเขารู้เองเหมือนกันเขาจะบันทึกใส่ แผ่นทองคําเองแต่ถ้าเราทําชั่วนะั่นจะขโมยทําที่ไหนก็ทําเถอะเอไม่ให้ใครรู้ใครเห็นเนี่ยก็ไปทําเถื่อยยมพวบาลเขาจะบันทึกเสนหนหเ้หนังหมาไว้เลยว่างั้นเถอะหนังหมาเน่าไว้เลยเอเพราะนั้นพวกเราให้คิดอย่างนั้นอกรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่ากรรมชั่วอย่าทําเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผ่านเมื่อภายหลังคํานี้เป็นอมะตะ ถ้าว่าใครทำดีไว้แล้วกรรมดีจะต้องสนองถ้าใครทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็จะตามสนองเพราะนั้นพวกเราทุกทุกท่านนะพูดทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ยกประเด็นเบื้องต้นว่าพวกเราถึงจะทำอย่างไรก็ตามคิดอย่างไรก็ตามพูดอย่างไรก็ตามอย่าลืมหลักใจหลักใจเป็นสิ่งที่จาเป็นสำคัญอย่างยิ่งให้พร้อมกันให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ให้เห็นความเกิดแก่เจ็บตายให้เห็นความเกิดความเสื่อมของร่างกายของเรามาปูนนี้แล้วเป็นยังไงสมัยหลวงพ่ออินเป็นเด็กเป็นยังไงเป็นเนนเป็นยังไงเป็นพระหนุ่มเป็นยังไงเป็นพระที่มีอายุพรรษากําลังเข้าวัยต่อสู้อายุยี่สสามสิปีเป็นยังไงทุกวันนี้เป็นยังไงเข้าปูนชราแล้วอายุหกสิบสามเต็มละไม่กี่วัน จะย่างเอา6กสีแล้วจะอยู่ไปนานสักเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ให้คิดไว้อยู่ในเสมอในจิตใจพวกเราท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดอย่างที่หลวงพ่อคิดเพราะว่าหลวงพ่อนบอกว่าหลวงพ่อคิดไม่ผิดก็แล้วกันหลวงพ่อคิดไว้อยู่เหมสิ่งไหนที่จะเป็นคุณงามความดีเราจะทําสิ่งนั้นสิ่งไหนที่เราจะพิกกพจิตพิจิตใจให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นความเกิดเบื่อหน่ายคลายให้ไม่ยึดมัน่นถือมันในร่างกายของเรา เราจะพิจารณาพิจารณาอย่างนั้นให้เห็นตามความเป็นจริงตั้งแต่หัวจดเท้าร่างกายของเราทุกส่วนมีตาหูจมูกลิ้นกายมีตับมีลำไส้มีอวัยวะภายในของเรามีปอดอมีอุจจาระปัสสาวะมีเนื้อมีหนังมีกระดกูก พิจารณาดูสิอันไหนคือสิ่งที่ถาวรในร่างกายเราอีกสักวันหนึ่งนะ่ะไม่รู้ว่าวันไหนนะตายแจกแต่กระจุยกระจายแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่จิตใจของเรานะนะั่นแหละสำคัญนามธรรมจุดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้ความสนใจอย่างมากคือนามธรรมจุดนี้ตัวนี้หละ่ะจะเป็นผู้ไปก่อพบก่อชาติในภพภูมิต่างๆ ถ้าพวกเราทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วนั่นแหละบุญกุศลตัวเนี้ยจะเกือ้อกูลหนุนดวงปีญญาในใจดวงนั้นไปเกิดในสถานที่ดีคติที่เหมาะสมไปเรื่อยๆแล้ววัดเดินทางไปเรื่อยๆจนถึงวันหนึ่งเอรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนละเบื่อหน่ายและคลายจากนั้นะ่ะเมื่ออิ่มแล้วนะเมื่ออิ่มแล้วสลัดเลยจะไอก็เข้าสู่ อวกาศของจิตของธรรมเป็นอมตะธรรมเป็นอมตะธรมธรมอตรมตะธาตุเป็นพระอรหันต์จบแต่พวกเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจยังหลงอยู่พวกเราก็จะต้องวกปนเวียนอยู่อย่างนี้ยความหลงหลงหลงคนี้ไม่ใช่ธรรมดามันหลงจริงๆว่งางั้นเถอะพอคิดมาแล้วกันนะมันเผลอแพ้เข้าไปคิดว่าเป็นสมบัติของตนเองคิดว่าตัวเองจะไม่ แก่ไม่เก็บไม่ตายคิดว่ายศถาบรรดาศักด์เพื่อนฝูงวัดวาศาสนาเป็นของตัวเองแท้ๆเ่ยเผอเพียงพรับเดียวแต่ก็มาพิจารณาอีกแวกออกอีกเหมือนกับกิเลสมันก็เหมือนกับจอกแหน่อยอยู่ในบึงในบ่อในหนองน้ำใหญ่ๆพอเอามือปัดออกไปมันก็แหวกออกไปซะเออมันไม่ใช่ตัวตนของเรานะร่างกายสังขารอีกสักวันหนึ่งจะต้องตายนะ ต้องสลายนะต้องสูดดินน้ำลมไฟแน่ๆ น, นะมันก็แหวเข้าไปอือใช่อีกสักวันอีกน้อยๆเนี่ยมันเออใคร้าๆว่ามันก็ไหลเข้ามาเจมิมเข้ามาอีกมันจะปิดมิดอีกมันก็ขึ้นว่าเป็นของเราเป็นของเอาเราจะมาอะไรของทรัพย์สมบัติพี่น้องเพิินฝูงเอเป็นของเราเนีมันเข้ามาอีกกิเลสองพอทําเข้าไปพี่นายมันไม่ใช่นะ มันก็ถอยออกไปอีกมันเป็นอย่างนั้นแหลจนกว่าจะมีอะไรกวาดออกจอกออกจากทั้งหมดหจนไม่มีแม้แต่เม็ดหนึ่งอยู่ในสระนั้นวันมืดมันจึงจะหายสาบสูญไปได้พวกจอกพวกแหนทั้งหลายถ้าว่าไม่อย่างนั้นมันยังมาลง ม, มาตุ้มมาลง ม, มาตุ้มอยู่งั้นแต่ถึงยังไงเราเครื่องมือยังไม่พอนะ บารมีของเรายังไม่ถึงบารมีของเรายังไม่พอเราก็พยายามพยายามแหวกออกบ้างอย่าให้มันมันลุมาตุ่มหนาจนเกินไปถ้ามันหนาเกินไปเนี่ยมันไม่มองไม่เห็นอะไรทั้งหมดนั่นแหละอันนั้นทุกจริงๆกว่าจะรู้ได้มันจนกว่าที่จะเกินกว่าที่จะแบกไปแล้วมันทุกจิตทุกใจจริงจริงเพราะนั้นพวกเรานะก่อนที่จะถึงจุดนั้นได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์กให้ภาวนาเนี่นะ่ะ เดินยังกลมนักภาวนาภาวนาอะไรเนี่ยสำหรับพระเล็กเนนน้อยพระใหม่นะนั่งภาวนาไหว้พระเสร็จแล้วแล้วก็นั่งขจมาัดจะให้ครูบาอาจารย์พาทมตัวเองทำเองฮตัวเองเกิดเองตายเองเกิดมาเองตายเองอีกสักวันหนึ่งเราจะตายเองเพราะนั้นเราจะให้ครูบาอาจารย์พานำให้พากระทาได้ไงคุณงามความดีตัวเองทาเองเดินยังกลม ในเวลาก็เดินยังโกลมเทิงทางเดินก็มีอยู่แล้วพุทโธพุทโธพุทโธกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาตั้งภาวนาเวลาเดินยังโกลมกับขาขวาพุทธขาซ้ายโทพุทโธพุทโธพุทโธให้มีสตินั่นแหะอันนี้ก็คือเบื้องต้นในการภาวนาจากนั้นก็พิจารณาอย่างที่ว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาร่างกายสังขารไม่ใช่ตัวตนของเรานะี่ยนี่แหละเพราะนั้นพวกลูกหลานพระเนนนะที่มายอยู่วัดของหลวงพ่อ ถึงยังไงยังไงทำงานยังไงทำอะไรนะอย่าลืมจุดนี้อย่าลืมใจอย่าลืมหลักของใจอย่าลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่าลืมหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้คิดไปอยู่เสมออีกสักวันหนึ่งนะมรณ ะ, ะเมาวิสติข้าจะต้องถึงจุดจบแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่น